พูยกับคุณหมอทับทิมเนท่านเพิ่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็อากาศดีต้นไม้เขาดีแต่ท่านก็บอกว่าค่าตาค่าตัวเองตายอยู่นิด น, นองค่าตัวเองตายอยู่เรื่อยๆมีปัญหานะคือเขาไม่รู้วิธีออกจากความคิดไงเวลาพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเขาเขาจึงยินดี แค่จิตมันมีสมาธิเฉยเฉยมีสบายใจอย่างธรรมกายเขาไปสอนเนี่ยแค่นี้ะให้มีสมาธิให้เกิดปิติเขาก็ดีใจเทบตายแล้ ว, วเขาไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักสตินั้นจะให้เขารู้อะไรมากไปกว่านั้นว่ามีปัญหาอะไรไม่เนี่ยมีอาการอะไรที่มันข้างเกี่ยวไม่ต้องศึกษาไปเลยะเขาพอใจแค่เนี้ยแค่สมาธิเขาก็พอใจดีใจแล้วฉะนั้นคนเวลามันเกิดปิติเกิดสมาธิโอ้ยมันก็ศรัทธาตายแล้วมนุษย์ มันเหมือนมีเชื้ออะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในใจไวรัสอะไรสักอย่างไปปล่อยเนี่ยมันไปได้เลยนั้นเรารู้จกักศาสนาเนี่ยในเหลี่ยมไหนเพราะศาสนาพุทธนี่แปดเหลี่ยมสิบสองมุมนะแปดเหลี่ยมสิบสองมุมรู้ให้ครบแปดเหลี่ยมก็หมายถึงม 8, รรคแปดต้องรู้จกักสิบสองมุมมุมมองในปฏิจจสมุป บ, บาททั้งสิบสองเนี่ยต้องเข้าใจมัน แต่พูดโดยย่อคือเอารู้จักทุกความคิดเนี่ยความคิดที่เกิดขึ้นเหมือนพระโมกขลานุนบอกว่าเออปฏิบัติทําแล้วโอ้มีฤทธิ์มีเดชนะสามารถรับฝนที่ตกจากฟากฟ้ า, ฟาได้ทุกเม็ดเลยก็เหลือแต่ฝนหลงฤดูฝนหลงฤดูคือฝนบกคลพัทฝนบกคาพัทมีสีแดงอยากเกิดตอนไหนก็ส่วนมากจะเกิดเวลาที่บรรลุธรรม ผลโบกขลุ่ยพัดเนี่ยเกิดตอนบรรลุธรรมนะถ้าไม่เห็นรู้แจ้งมันก็ไม่เกิดนะ่ะคืออยากเปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกผลต น, นั้นมันเกิดได้ตามดั่งใจปรารถนาก็คือวิปัสนาญาณท่านประเทศที่มีความเจริญที่คนชื่นชมกันอย่างโอ้อย่าไปเหลือเกินดินแดนในนี้นโอ้พอไปดูจากที่เข้ามาไปใหม่ๆอย่างคุณหมอทับทินนมไปเรียนหมอไปดูงานไปฝึกไปอะไรประมาณนั้นท่านบอกว่าโอ้ย ฆ่ากันตายเคยฆ่าตัวตายที่นนประเทศเราไม่ได้ฆ่าตัวตายฆ่ากันตายว่าเราคือยังมองเห็นทุกเกิดจากคนอื่นอยู่แต่ที่น่นเนี่ยไปทําฆ่าใครก็อยู่ที่ตัวเองนะสุดท้ายก็มาลงที่เราอืก็จะเกิดปัญหาก็คือเขาจับได้เหมือนเดิมมองเดี๋ยวก็ถูกฆ่าถูกประจานให้ฆ่าตัวเองตายดีกว่านี่ข่าวข่าวเรื่องต่างประเทศเรื่องอเมริกาเนี่ยเอาอีกแล้ว การยิงคนเนี่ยกาดยิงอยู่เรื่อยๆตายเรื่อยๆมันกดดันนะชีวิตเนี่ยดูประวัติชีวิตดีมาตลอดถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรอย่างงี้จะรู้สึกว่าชีวิตมันดีมาตลอดการศึกษ า, าหัวดีด้วยดูประวัติแต่สุดท้ายไม่กี่วันวันสองวันเอา้ากาดยิงฆ่าคนนะตายไปไม่รู้เท่าไหร่แต่เวลาเรา ทำแผนประกอบสารภาพอะไรต่างๆเขาอาจจะไม่มีเลยไม่รู้ น, นะระบบของเมืองนอกเนี่ยเขาจะง่ายๆอะลูกขุนเขาเวลาเราเห็นตามหนังสือพิมพ์ตามเห็นอะไรเนี่ยทําข่าวตามข่า ว, าขาวเขาจะมีแค่วาดภาพมาเฉยๆเขาไม่เอาตัวคนมาลงเอาแต่ว่าแต่ภาพวาดภาพลายเส้นนะะให้เรางเพียงรู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นระบบที่มันเกื้อกูลกับชีวิต นะไม่อยากประจงประจานไม่อยากอะไรนะก็ไม่รู้นะของเราเอาตัวมาแถลงข่าวอยู่แต่ว่าใส่โมงเงาบ้านเราใส่โมงสีดาครอบหัวมันไว้ไม่เห็นหน้าเห็นตานะเห็นแต่ตีนมันก็มือมันด้กอวอ่าจะยังไรก็ตามนะที่พูดมานี่คือปรากฏการณ์ของทุกทีนี้ทุกนะมันก็เป็นมากมายหลากหลายไม่จบไม่สิน้นเลยแต่ว่าใครจะมีวิธีการฆ่าตัวตายขนาดไหนได้นะแต่ ของผู้เราเองไม่ได้ขาดตัวตายปฏิบัติธรรมเนศาสนาพุทธจะสอนให้รู้จักสติเป็นกุญแจไขชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ออกจากกระบวนการที่มันเป็นทุกข์กระบวนการตามปฏิจจสมบัทเนี่ยมันเกิดยังไงเนี่ยเมื่อวานคุยกับยมหมวยนะยมหวยร้าน้าไม้ที่อุรานดานีพมา ยโยมวยก็ปฏิบัติท่ามูรอตาสามสี่คอดนะสี่ห้าปีหลังนี้ไม่ได้มาปฏิบัติเมื่อวานมาลองตาว่าโอ้ยหายหน้าไปไหนเนะขาบอกว่าโอ้ยลองตาอยู่กับพี่เสาวนะ่ะหนูนะนะต้องใช้สติมากๆนะเดี๋ยวเขาวีนมาละเดี๋ยวเขาเป็นอย่างนั้นละเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ก็มามาถามว่าจะไปเข้าคอท เป็นเนื้องอกในมดลูกฮะจะไปสลายอะเ น, นี้พาพี่สาวไปเป็นอะไรเป็นแบบไปไปไปเข้าคอร์สคุณหมอเขียวเนี่ยเพื่อมันจะดีขึ้นเพราะดูในซีดีในอะไรรู้สึกว่าเออน่าจะดีอะไรประมาณนั้ น, านมาแวะมาบอกว่ามาบอกข่าวที่จะไาช่วยทำโรงพยาบาลเอาคนงานเข้ามาทำเครื่องบนนะ ทำสีทำน้นทำนี่เขาใช้คําว่าอย่างเงี้ยอืมหลวงตาก็ดีใจนะหลวงตานะไปอยู่ใช้ชีวิตทั้งโลกเนี่ยหนูเองนะ่ะต้องนึกอยู่บ่อยๆเรื่องปฏิจจุบาทเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างไวหลวงตาว่าทําไมถ้าเป็นอย่างนั้น่ะโอ้ยไปอยู่กับคนหงุดหงิดง่ายเนาะปฏิจจุบานหนูต้องเกิดดับไวๆคิดบอกตลอดเวลาเลยอืมหมุนแทบไม่ทันเนะ่ะพี่สาวเนี่ย เ ด, เดี๋ยวอารมณ์นั่นเดี๋ยวอารมณ์นี่โอ้ยหนูเกิดดั บ, ดบ เ, เกิดดับเอาเกิดดับดูมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับหมุนตลอดเลยทียบอกอู้มันก็แสดงว่ามันใช้ได้นะใช้ได้คือเขาเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงเป็นลูกสาวคนสุดท้องแต่ว่าเหมือนเป็นผู้ใหญ่แต่น้อยเป็นผู้ใหญ่แต่น้อยนั่นบอกว่าเอา ต้องใช้ปฏิจสมบตัติปฏิสบัติเพาหนูหมุนตลอดเวลาเลยหมุนไวเวลาจะเจอหน้ากับคนนี้มันจะเป็นเนาะต้องอยู่ด้วยกันนะญาติครูโหติการอยู่ด้วยกันเวลาปะพอดคุยอันที่มานี่ก็คือจะมาพาเนี่ยพี่สาวนี่แหละพี่สาวต่างพ่อเนี่ยพี่สาวต่างแม่ไปหาห ม, มอโอ้ยหนูเวลาเจอเ จ, อ เ, จเขาเนี่ยขอกปฏิสบตัตหมุนเร็วมากอริยสัจมองแต่อริยสัจอย่างเดีย ว, วเวลาเจอกันเนี่ เอาทำไมไม่มองหน้าเขาไม่หนูรู้สึกว่ามันต้องทุกทุกทีอ่ะทั้งนเลยเป็นความขำขันไปนะที่บอกขำขันคือมองตัวเองนึกอริยสัจกูจะเกิดกี่รอบเนาะวันนี้เนาะเขาบอกอ้อเอาเข้าท่าดีเนาะนอโอ้ดวงตาเชียเต็มที่มวยเอ้ยมาตั้งใจนะดูมันเต็มที่เลยมองเข้ามาข้นงในลุลตาจะจํามันไม่ได้มันนานมาะแต่พอศีวนาคุยด้วยสักหน่อยอืเขาเล่าเป็นแต่เรื่องอารมณ์กรรมฐานแ่ะดี มัอนมีความเข้าใจชีวิตขึ้นมามันเป็นผู้ใหญ่มีจตทุกเห็นเนี่ยอืมดูมันว่าหน้าตื่นเต้นนะโอ้ยดวงตาของหนูนี่เกิดดับเกิดดับตลอดะเวลาเลยเจอเนี่ยโทรใส่อย่างเดียวให้เย็นเย็นเย็นเย็นเยนควลาเกิดขึ้นมามิจตให้มันเย็นอย่างเดียวไ ม, ไม่ใหร้อนพอมันจะร้อนขึ้นมาเอา้าเห็นเกิดดับอย่างเดียวเนะี่ยปฏิสบัตเกิดดับตลอ ด, ะดะเวลาเลย พอถอยออกมาได้ถึงจะไม่เกิดไม่ดับโอ้ค่อยสบายใจหน่อยอืมแกพูดแล้วแกก็หัวเละนะอืมหนูต้องใช้มันตลอดเวลานะหลวงตาอย่างนีนแล้วเขาก็ฟังอะไรอ่ะฟังพุทธพจน์พุทธพจน์ที่คนอ่านพุทธพจน์นะนะอ่านพุทธพจน์จะโลมใจเวลานั่งทํางานก็ฟังพุทธพจน์เอาอย่างนี้นฟังคําพูดพระพุทธเจ้านั้นมันก็ชื่นใจขึ้นมาชีวิตเนี่ย ถ้าเราเข้าใจชีวิตเออมันมีเกิดมีดับนั่เนี่ยมันก็สบายแล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจเรื่องว่ามันมีเกิดมีดับเราก็จะยึดเอาเป็นตัวเป็นตนอีกละไอ้ความยึดเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเขาเรียกว่าอุปาทานขันอย่างที่เราสวดนะอุปาทานขันทั้งห้าอย่างเนี่ยดูมันออกไหมอุปาทานขันทั้งห้าเราไม่รู้นะตอนไหนอ่ะนั้นต้องไปไล่เรียงมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว น, นะมันจะเป็นไปตามลําดับมันด้วยธรรมชาติอยู่แล้วนะที่เขาเรียงสติปัฏฐานสี่เนี่ย มีสติกำหนดรู้รู้จารณีวรทำความเข้าใจเรื่องนิวรณอย่างเฉมแจ้งถ้าผ่านนิวรณ์ได้นะมันมาทันดีเลยสติพอรู้จักสติเราจะกำหนดรู้กับอะไรก็ได้อานาปนาสติกายคตาสติในทั้งนั้นเนะ่ยเรียนรู้ปุ๊บเราก็ต้องต่อสู้กับนิวรณเข้าใจนิวรณคุมนิวรณอยู่ถ้าเป็นมวยก็เหมือนคุมรูปเกมมวย ุมเกมวยอย่างดีอ่ะมวยเนี่ยคุ้มได้ไม่มีปัญหาะไรเพิ่งไปประเทศลาวมาเนี่ยไปประเทศลาวมาไม่ว่าไปวัดไหนอ่ะจะ ง, งกจะเ ง, งือ้อขึ้นไปก็เห็นพระเนนในประเทศลาวนะโอ้นั่งชมมวยเจ็ดสีเต็มไปหมดมวยช่องเจ็ดสีมันประทะกันยังไงเนี่ยโอ้ยมวยเขานั่งคุมลุยแหลกอยูน่นะคุมติดไปหมดเ น, น, นะ่ยนะ ทำกุฏิทั้งหลายเนี่ยว่าเขารับสถานีวิทยุจากไทยได้โทรทัศน์เนี่ยสนุกสนานเลยได้ยินแต่เสียงสมิงเขาคือศาสนามันมันไม่ถึงกับความเป็นศาสนาเนี่ะนะนะมันเป็นความเป็นประเพณีเหมือนที่ว่าเรากําหนดรู้เนี่ยมันไม่พอจะเกิดปัญญาอย่างเงี้ยมันก็ได้เด็กกันมากำหนดรู้หรื อ, อยังมากก็เป็นสมาธินะ อันนั้นก็เป็นเพียงแค่อะไรแค่ระบบระเบียบชีวิตเล็กๆใน้อ ย, อยมาสู่ระบบวัฒนธรรมประเพณีแล้วควบคุมจัดสรรชีวิตให้เป็นระบบบ้างนิดๆนิดหน่อยๆเท่านั้นเองเป็นเรื่องธรรมชาติเห็นพระเนนเขาเวลาไปโรงเรียนเรียนหนังสือเวลาเขากลับบ้านมีถีบจักรยานเป็นฟูมาย่างกสาวนักเรียนสมัยก่อนนะ่ะเป็นแถวเหลืองเต็มนะนั่งบนจักรยานสวยงามดี แล้วก็มองเห็นความสวยงามนอ้ยตายผิดศีลไม่ได้เด้ทุกตายเล้นเรานะแต่เขามีระเบียบนะอายุประมาณเนี้ยขี่จักรยานได้ถึงมสามมสี 4, นะ่แต่จากนั้นไปก็ไม่ได้แต่ระเบียบของประเทศเราเขาออกระเบียบเขามีระเบียบว่าเด็กถ้ายัง ยังไม่โตในระดับที่เข้ามาอะไรเขาไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณจะมาลี่เป็นคนรวยไม่ได้เนเขาไม่ให้เป็นคนรวยเนจะมาขับมอเตอร์ไซค์โก้ไปโรงเรียนเหมือนพวกเราเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยก็ขี่สะดวกสบายไม่ได้นะคือคมมันไวน้อย่าเพิ่งให้มันโชว์นะนุะ่นงเสื้อกันนี่แขนถึงข้อมือเนี่ยยิงผู้ชายผ้าก็ถึงนี้ แข้งถึงข้อเท้าด้วนนะนุ่งสิ้นหมี่เส้นไหมเป็นโรงเรียนเนี่ยมันเกื้อกูลกันนะชีวิตเขาเขาทําอาชีปอะไรเขาบังคับให้ประชาชนเขาใชา้นั้นถึงแม้คุณจะไม่ซื้อไม่ขายไปต่างประเทศก็ไม่เป็นไรนะเขาขายในี่ยเขามีตลาดให้รัฐบาลเขาจัดตลาดมันเกื้อกูลกันก็คือคนเขาเองนะัแหละชายเองเนี่ยเนี้ยของเราเอาจะให้ผิดพลาดยอมคามผ้ามัดหมีแต่ซื้อของนอกนั่นแนะ่ะแล้วมันจะไหวเลย มา่อคนละอย่างซะเอา้าของเราดีชาวบ้านก็ผลิตแต่ไม่นิยมให้ใช้เดี๋ยวีิเริ่มใช้แล้วไปกาลสินครั้งก่อนไปเห็นเขานุ่งโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนอะไรอะวันพุธหรือวันศุกร์เนี่ยเขานุ่งเสื้อผ้าแบบเนี้ยดูสวยงามนะแต่ว่านุ่งสูง อ น, นี้มันนุ่งต่ำๆนุ่งพอดีปกปิดเอาไว้ยวะอันนี้เกิดความลายอยกันใช้สิ่งของในบ้านในเมืองตัวเองก็เริ่มดีขึ้ น, นทีเนี้ยอืมถ้าเราสนับสนุนกันอย่างนี้มาตั้งนานว่ามันจเจริญแล้วสินค้าโอท็เนี่ยแต่เราเพิ่งนมันนึกได้พอมันนึกได้มันแพงแล้วทีนี้ต้นทุนการทำการผลิตทั้งหลายมันสูงเกินและนี้เรื่องโลกโลกนะเวลาเขาพัฒนาโลก ก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นแหละอะไรที่มันเป็นทุกข์ก็เป็นตัวตั้งปัญหามันคือมองของนอกมากไปงั้นกลับมาใช้ของไทยก็ได้เงินเนี่ยเป็นนิโรธเขาบอกทุกสมุไทยนโรธมากโดยธรรมชาตินะ่ะเป็นการประยุกต์เอาคือมองปัญหาทั้งโลกนี่มันมันยังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้กว้างไกลไปไหนอะ่ะเพีเยงแต่ว่าเป็นความรู้สึกเรา ที่มันจะเกื้อกูลในวงที่เป็นปฏิจสมบาทแบบโลกโลกเป็นธรรมชาติข้างนอกมองออกบริหารเข้าใจก็เกิดปัญญาแต่ปัญหาว่าคนเนี่ยมันมีจิตคิดคดนะ่ะจิตคนเนี่ยมันคิดคดมันไม่ปกตินะอืมันอยากไอ้ความอยากมันเนี่ยมันคดไปคดมาคดไปคดมาการบริหารการจัดการวัตถุเนี่ยมันไม่ยากเลยนะวัตถุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยแต่การบริหาร การจัดการจิตคนเนี่ยความอยากคนเนี่ยมันยากมากเพราะมันไม่ได้ยอมมันพลิกความพลิกหงายเอาแค่นี้ยแค่คิดว่าเรายกย่องสรรเสริญให้ใครอะไรสักคนเนี่ยตัวตนเราก็ขึ้นมาละเฮ้ยกูไม่อยากให้ยกย่องคนนั้นหว่ะไม่อยากให้พูดถึงคนนี้ขึ้นมารู้สึกมันทุกข์อึดอัดขัดเคืองขึ้นมาจิตมันเป็นระดีอ่ะนะมันเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ทันใจเราสติมันไม่พอลุกตุ่มนะ ลูกตุ้มที่จะเป็นตัวไปถ่วงอารมณ์ให้โม omentum มันไหลมาตอเนี้มันทําไม่ได้มันอ่อนแก่ไปน้ําหนักมันเบาอ่ะมันกระตุกมันหลุดไปหมดเลยันั้นเขาถึงบอกว่ายังไงก็ตามให้สติอยู่กับตัวเองคุมใจตัวเองให้อยู่ให้ได้ถ้าเราคุมใจไม่อยู่ใจมันกระโดดโลดเต้นไปนี่เอาไม่ทันละเป็นทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ทันทีนะดังนั้นถ้าสติดีปุ๊บอาะมันคุมนิวรณอยู่ได้เลย เป็นมวยคุมรูปเกมมวยอันนี้ได้ถึงแม้ยังไม่ชนะมันนะแต่คะแนนเนี่ยได้มาแล้วละ่ะชนะคะแนนที่คนทั่วไปเราไม่ได้เอาชนะคะแนนเราจะเอาชนะนอกนะเดี๋ยวนี้ยเอาชนะนอกถ้าชนะคะแนนมันก็คือครึ่งกลางๆต้องให้ได้ชนะนอกให้ได้ก็ทําความเขียนมากขึ้นจากการผ่านนิวร์มาก็จะรู้จกักขันท่าทันทีเลยเนี่ยเห็นไหม ขันหน้ามีอะไรบ้าง่ะอิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะสมุทโยวความเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะอัถังขโมความสลายอัตถังขมาคมานะความสลายหายไปของรูปเป็นอย่างเนี้ยเจนได้ดีเลยเหมือนกันเลยถ้าเราเห็นรูปตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันนั่นแหละ แต่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นมันก็ไม่สนุกแต่พอรู้จักมันปุ๊บมันจะเริ่มสนุกเอ้าวความคิดตัวนี้มากระยิงดับได้ตัวนี้มาก็ดับได้ตัวนี้มาก็ดับได้ก็สามารถเริ่มดับตัวรูปประขันรูปประขันก็จะมีรูปประขันที่มาจากอดีตรูปประขันที่มาจากอนาคตอรูปปังวาอาจารตังวารูปภายนอกภายในรูปหยาบกรามละเอียดอืรูปอยู่เกิดในที่ไกลอยู่ที่ใกล้ มันเกิดไกลก็ได้ไกลก็ได้เกิดจากอดีตก็ได้อนาคตแล้วแต่มันรูปวันนี้มันจะปรากฏขึ้นมาแต่เราก็จะพยายามมีสติมองเห็นว่ารูปเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับเมื่อก่อนมันเกิดแล้วมันไม่ดับไหมมันเกิดแล้วมันไม่ดับมันเกิดมันทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่พอสติที่เราผ่านพอฝึกสติเรียรู้แล้วผ่านนิวรณ์มาเนี่ยมันจะเริ่มคุมได้แล้วมันจะเริ่มเห็นอาการเกิดของรูปขึ้นมาได้ คือมันก็พัฒนามาตามลําดับนะเห็นรูปเห็นเวทนารูปเกิดยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเกิดยังไงเหตุให้เกิดรูปเป็นยังไงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเหตุเกิดมันเป็นยังไงแล้วความดับสลายหายไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงมันจะเริ่มเห็นเนะ่ะสุดท้ายก็คือบางคนก็จะเห็นว่าเออความคิดเกิดความคิดดับก็เห็นบันทัดอนถ้าทําความคิด มันเกิดดับมันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นภาพมันเริ่มขยายออกขยายออกขยายออกเมื่อก่อนมันไม่ชัดนะเดี๋ยวเอาความคิดว่าดับไปแล้วดับไปแล้วแต่พอสติดีมันเหมือนมีแว่นขยายขยายส่องดูอาการของขันท่าเนี่ยว่ามันเกิดมันดับยังไงกลไกตัวไหนตรงรูปตรงวีทนาตรงสัญญาตรงสังขารวิญญาณทันตัวไหนไม่ทันตัวไหนเนี่ยแสดงว่ามันมันมีเว่นขยายส่องออกไปแล้วก็เริ่มมองเห็นนะออื ไม่ใช่มันคิดแล้วมันดับไปเลยนั่นมันมีอนุนันนี้สอดแทรกเข้ามามีปัจจัยอนันตระปัจจัยสมันตรปัจจัยนะสหชาตะปัจจัยอันญมันย่อมปัจจัยนิตส์ยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัยปัจจาชาติตาไปอาศัยวันนักปัจจัยกรรมปัจจัยวิปปะกปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรีย์ปัจจัยชาญปัจจัยเนี่ยเริ่มแล้วนะพอผ่านมาเยอะๆผ่านมาทุกตัวทุกตัวปุ๊บก็จะเป็นตัวชาญปัจจัย ชาณาปัจจัยมีฌานมีสมาธิต่อเนื่องดีสบายโล่งโปร่งโอ้จิตตอนเนี้ยมันมีฌานเป็นปัจจัยต่อไปก็เป็นมักนะจากสมาธิไปก็จะเริ่มมักนับตรงไหนถ้ามีจะมาสมาธิเฉยเฉยมันไม่สามารถที่จะเจาะระลึกรู้อุปาทานขันในส่วนที่เป็นอดีตได้อืที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติน่ะสภาวะนั้นไม่ปรากฏ ก็ยังไม่เป็นมรรคทีนี้ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นมรรคสมบูรณ์ก็เมื่อมันมีสติอนบริสุทธิ์นะสติทั้งบริสุทธิ์ไม่มีความห่วงคบก็มีแต่ความโปร่งโล่งเนี่ยไอ้นี่แหละมันจะเจาะขันหน้าพุทธะแหละทีเนี้ยนะไอ้ตัวที่มันเป็นลูกตุ้มถ่วงใจลรไว้อยู่ในคืออดีตเนี่ยมันจะเริ่มสลายเป็นในภาวะเนี้ยนั้นต้องมองกับเข้าไปตรงนี้อืมก็อยู่ตรงรูปนั่นแหละ มันเอาไปไว้รูปนี่เป็นอะไรเป็นไข่มันเป็นไข่ฟักไว้ฟักไว้ฟักไว้ฟังไว้เต็มเลยอยู่ข้างล่างนะอืมทีนี้เราขึ้นมาค่าทิ้งไข่พวกนี้ขึ้นมาแตกเหมือนไข่งูนะที่แตกเปาะเปาะเปาะเปาะนะสมัยก่อนลงตาไปกับยัยหมานเนี่ยมาอยู่ด้วยปากันไปหาต้นเลาต้นอะไรมาปลูกต้นไม้นะมันหญ้าเพ็กมันเยอะเดินไปเดินไปเดินไป คือเราไม่สามารถที่เห็นพื้นดินได้เพลคมันคุมเข้ามาถึงเอวเนา ะ, ะเดินข้ามไปลอน้าไปเหยียบงูงูกระปะเข้าใจว่างูกระปะนหะตัวมันใหญ่มากเท่ากองขี้ควายเนี่ยนะเหยียบเต็มตีนเลยนะเพราะมันมองข้างล่างสอดตีนไปก็ปเหยียบเหยียบมันกอดไข่มันอยู่ทั้งหมดเลยอะ่ะไข่มันเต็มเลยมันกอดอยู่ อเผอ้นว่าไปเหยียบมนะันคงจะเหยียบหัวมันด้วยหรือยังไงมันหลับก็ไม่รู้นะแต่เราเดินไปซอกซอกซอกซอกไปนี่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่รู้สึกตัวนะสงสัยงูนี่มันจะติดนิวรณ์อยู่นะเข้าใจเราเลยได้เหยียบหัวมันทั้งนั้นก็โอ้ยตายานะพอดีแหละพราะเหยียบเหยียบทั้งไข่มาเลยย่อมก็เหยียบกองขี้ควายใหญ่ผมรู้ตาเอา้าเหยียบอะไรผิดปกติเข้าใจะงูกรงเยบ่ยมานี่พิพ่งม า, มาจะเดินตามลงตามมาไงถ้าปล่อยแกมาเนี่ตายนะ ก็เลยไปเอาไม้ผูกมาอันหนึ่งยาวๆแล้วก็สอดเข้าไปในแวกแหวกแฝกขึ้นดูนะนะเพชรเนี่ยต้นเพชรเพกก็เหมือนไผ่นี่แหละแต่มันต้นเล็กถึงเอวเนี่ยพอแวกปุ๊บโอ้ยมันกองอยู่อุ้มไข่อยู่ทั้งหมดเลยแล้วก็จูคออยู่ทั้งประมาณถึงเขานี่แหละแข้งตัวมันยาวหางมันก็ม้วนกอดไข่โอ้ ถ้ามาในตายพอดีเลยเขาว่าจวงอางห่วงไข่จงอางห่วงไข <c> ่ <oughs> นี่ก็ บ, บะคือไม่รู้ไงมันมาทำในทางค น, นแทนที่มันจะไปอยู่หลบอยุมใต้หินได้หล้วไม่อยู่ในทางทางทางเดินเท้านะแต่มันป่าเพลกเนาะเพลกก็คุมไว้ท่านพอมาดูว่าเออกว่าเราจะเป็นคนที่สามารถ เข้าไปถึงจงอ่างห่วงไข่ก็คือเขาไปถึงจิตที่มันห่วงอารมณ์ที่ฝังไว้ข้างในเนี่ยที่มันเป็นไข่ปุเพนิวาสานสิสติยานเนี่ยภาวะนนี้มันอยู่ข้างในลึลกๆมันเก็บเอาไว้ความคิดเก็บเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับเป็นกลับก็เรียกว่ากลับเป็นกลับกลับก็คือกล่องนเนี่ยเนี่ยเป็นกล่องเป็นกล่องฝังไว้ในใจเราเยอะแยะเนี่ยกว่าจะเข้าถึงได้เออไม่ใช่ธรรมดานะ มันหวงจะเข้าไปปุ๊บติดนิวรณ์ตัวนั้นติดนิวรณ์ตัวนี้มันลงลึกไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีนิวรณ์เนี่ยเออเราจะลงไปเห็นนะสติสมาธิปัญญามันจะแหลมคมจะลงลึกได้นะแต่ถ้าไม่พอนยมันตัดไม่ได้นะมันลงลึกไม่ได้ไข่มันก็ยังอยู่นั่นเดี๋ยวมันงอกมาเป็นตัวเป็นร้อยเป็นสาวนะเป็นสิบเป็นสาวเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นตื้อนะที่อยู่ข้างล่างมันมาก หลายเรื่องแต่ถ้าสมาธิสติเราดีก็เหมือนกับเราสามารถเหยียบงูได้เอาไขมันมาทบทิ้งได้นะภาวะอันเนี้ยเขาเรียกว่ายานนะเกิดฌานชาณาปัจจัยวาณปัจจโยมรรคปัจเจโยเป็นมรรคเนี่ยมรรคปัจเจโยถ้าเข้าไปได้ไลึกรู้ได้ดับได้ดับไ ด, ด, บได้ดับได้หมดก็เป็นผลนะทีเนี้ยนะมรรคปัจจโย ชาณาปยมกับปะโยวิปากับปะโยอาหารปยโยอินทรีขึ้นตามลำดับเลยเป็นโดยธรรมธรรมชาตินั้นสัจธรรมเนี่ยมันอยู่ที่การทำยังไงอะจิตมันจะลงลึกพอส่วนมากเวลาเราจะทำดีดเราก็หาอันนั้นมาคิดหาอนี้มาปรุงแต่งหานังซื้อนั่งหาอะไรตลกบกหาหลักอันนั้นอันนี้มาเพื่อให้มันเกาะีแต่มันไม่ลงดิเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ลงไปลึกพอมันไม่ไปเห็นด น, นั้นมันก็ยจะอยู่ติดอยู่แถวปากปา ก, กระโถนนี่แหละ มันลงไปไม่ได้อสมาธิมันไม่พอเนี่ยมัวมาติดผ้าติดเสื้อติดนะเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวติดอะไรซ้ำมันก็เลยเอา้าจิตมันไม่ไม่ลงไปได้เพราะมันไม่บริสุทธิ์คาว่าบริสุทธิ์คือมันจะต้องปราศจากนิวรณ์นะจิตเนี่ยไปลองสังเกตดูนะปัญญามันจะได้มาก็ตรงนั้นแหละหกโมงพอดีนะเอ้ามูดนา